เรื travail, <Qué> ่องผู้นาเรื่องเราเอาเท้าทิศไอันนี้เรามันเป็นเรื่องไปเรื่องไปแล้วเรื่องของเงินเราสองไปเรื่องไปดูเลาไอ้ดาวจันเนี่ยดาวจันเออรือเอาข้างแรก็เอาข้างแรงสมมติเนี่ยข้างแรงมาจบดาวจันแรงสองข้างไปดูเนี่ยแรสองข้างนไหแนึ่งข้างรปดูแรงหน่งข้าอ่งเงี้ยไลไอตรงข้างหลังบริวารอะไรเจ้าลายหมายม ช่องหลังนี่มันมีบริวารมีสิทธิอะไรน่ะมันคืออะไรบริวารมันมามันคืออะไรเ น, นี่นะที่คือเส้นแหกเส้นสีบริวาร เข้าใจหมดพวกอ่านเวลรู้นเลยแล้วก็ดูแค่เวลาว่ามันเท่าไหร่ถ้ันมีดเท็ดสมมติว่ามาดูว่าวันจันใช่ไหมวันจันเ็เลขอะไรนะในยามใหญ่ถ้าในเขาเยามใหญ่เลขอะไรันจําเลขสองก็มดูสองสองวันนี้มันอยู่ช่วงยามไหนอะยามยยชื่ออะไร เเจ็ดอ่ะยอยมใหญ่อ <Aqui. S 2> ah, like ่ะ no ้น <ten Vietnamese> no ี้ว่ะเนี่ยแลนด์นค่ำเนี่ยแนี่วมูลหัวยำใหญ่แลนด์เลขเจ็ดเลขเจ็นี้ไหนี้จ็่ยได้อ่ายใหญ่เจใช่ไหมแ้วมื่้แลยำใหญ่ ถ้าดูเนีจะรู้มีงงแค่ไหนแต่อยู่มันเีนบริวาแคนะ่นเราไม่ใด้มชรารทีีเราอาอะไรไปตลดได้แต่ถ้ามันเป็นสีสีสีสะบริวารจะสุดยอดเนี่ยไปขอท่านรักกันุดหนึ่งนี่ขึ้นแล้วเอาไว้พวกเราไปทาอักษิเป็นชุดเลยช่วงนี้รันดอนไม่ได้คานวณไงดีไหม อีกน้อยนะมันจะทําอะไรก็ไม่เป็นเลยนะว่าสาวมาไงนะี่ะโอ้าจริงจริงจะทําสองเด็จอย่างนี้แล้วเข้าปากแล้วดี้น่ใจไม่ไม่เอาเอาหลอดอีกน้อยมันทําไม่เป็นนะเหมือนกับอาวิบากอ่กอเนนะออเดี๋ยวเนี้ทางเขาไม่เป็นแล้วนะว่าโสภณเศษเสกสิกมันเฉลี่ยกี่ดวงเอาอะไรมาหารเอาโสสารณัสัาพเศกเสก ม, มาคูนอย่างเงี้ยไดยวหาจำได้ไหม โลภะโมหะจิตเท่าไหร่พ่อคุณนก่อนต้อกทำเป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมเราต้องอยากท่องกันเป็นสูตรเีวนี้มันทําไม่เป็นเอาแมงสูตรสําเร็จเลยแล้วไม่รู้มายังไงเป็นตัวเลขไปหมดเลยก็เลยกลายให้คนที่ไม่รู้เรื่องเขากลายมาเลขเจ็กตัวไอ้นี่จริงไม่ใช่มันมีที่มาของมันอย่างเลขเจ็ดแปดแปดหลักเนี่ยเขากลายเป็นมันที่จริงมันมาจากวิถีจิตทั้งเจ็ดนี่ง่ายแล้วในที่สุดกลายเป็นตัวเลขอะไรเนี่ยนะใช่ไหม ขี้เกียจแล้วทีนี้ให้สาวคนตั้งยังไงเด็กรุ่นหลังจะไม่รู้เลยแล้วเลยมาสอนพิธีแทนที่จะสอนวิธีการสร้างสาวฝาบสอนวิธีการดูตารางแทนเห็นปะ่ะแล้วอะไรจะทุกข์ังกันอะ่ะรู้ไหมอ่ะไม่รู้ไม่รู้เห็นไหมอันนี้อธิบายไม่ออกกันทีนี้เพราะมันมั น, ม, นมันตามันไม่เคยมองจากจับภาพไปก่อนเข้าใจปะ่ะคนนี้สําหรับคนนี่เรียนรุ่นคุณเนี่ยมันเรียนมาแล้วทําแล้วใช่ไหมแล้วก็มองเห็นใช่ไ่ะ ตอนน้เดกรุ่หลังเนี่ยถ้ามันสอนอั น, นี้เลยเนี่ยนะอะใช้ตารางอย่างเงี้ยนะไม่ออกนะจะ ไ, ไม่รู้เรื่องเลยจำไหมเพราะฉะนั้นต้องสอนตั้งเสาวยังไงเป็นก่อนอันนี้ถึงมาใช้ทีหลังไอ้เล้าก็เถอะอีกหน่อยพอมาใช้อันนี้ไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยลืมรูปภาคเสาเลยนะเสาตั้งยังไงแค่ไม่ใช่ก็ <c oughs> เหมือนกับที่คิดขึ้นแรงเลยที่ที่เป็นไม่ล่ะมาแรงตีข้ามขึ้นอีข้ามอะไรบวกขึ้นมาเป็น พอใช้สาระสมเร็จท่านานศักดิ์ก็จะมึนะอ่ะอ้าวทิศกามาจะไม่ได้แล้วเลยเนี่ยเปีนี้มีกี่คนล่ะปีนี้มียี่แปดวันหรือสามสิบวันต้องบวกหนึ่งเลยไงจะลืมกันไปหมดนะท่านลืมแล้วตั้งสตเก็จะไม่เป็นแล้วมั้งอาทิตย์เลขอะไรแทนอาจา ร, รย์อะไรแทนเนี่ยลืมแม่บัวถึงต้องไปฝึกซักสองไงเพะต้องหาติตติหาวิบากใช่ไหม อาจารย์สุรพองถามใหญ่เพราะว่า ท, ท่านไอ้ท่านยอดจิ้งจริงไปสอนไว้อะจุดตบวิบากก็สอนไม่จบไปสอนก่อนเวลาอันนีก้ก็ไม่รู้เรื่อง